บทที่เ็ดการตื่นของวิญญาณการนอนหลับของวิญญาณดังกล่าวมาในบทก่อนนั้นย่อมกินเวลาไม่เท่ากันในรายต่างๆกันบางรายอาจจะกินเวลามากตามเวลาในโลกมนุษย์แต่บางรายก็กินเวลาน้อยเมื่อเทียบตามส่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเจริญทางจิตใจของวิญญาณนั้นด้วย คือวิญญาณที่ได้บำเพ็ญเพียรก้าวหน้าไปในทางจิตใจมากแล้วก็ต้องใช้เวลานอนหลับพักฟื้นอยู่นานกว่าวิญญาณที่ไม่ได้มีการก้าวหน้าในทางจิตใจเลยในระหว่างที่เป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้เรื่องนี้ก็มีอุปมาที่พอจะเทียบได้ในโลกมนุษย์เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นได้ในกรณีของสัตว์เดรัจฉานซึ่งจะมีระยะเวลาที่ฟากตัวอยู่ในคันของตัวมันต่างกันตามประเภทของมัน ซึ่งเราพอจะวางเป็นหลักลงไปได้ว่าสัตว์ที่จะเกิดมามีอายุอยู่ในโลกเป็นเวลานานก็จะต้องมีระยะฟักตัวอยู่ในท้องแม่นานสัตว์ที่มีอายุอยู่ในโลกช่วระยะเวลาอันสั้นก็จะมีระยะฟักตัวอยู่ในท้องแม่สั้นลงเป็นลาดับลูกช้างจึงต้องใช้เวลาอยู่ในท้องแม่ของมันเป็นเวลานานถึง21หรือ22เดือนส่วนคนเพียง9เดือนกระต่ายก็หนึ่งเดือน หนูกีนีสามสัปดาระยะเวลาของวิญญาณในโลกทิพย์ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้วิญญาณที่ต้องใช้เวลาแห่งการนอนพักฟื้นนานก็เพราะได้เจริญก้าวหน้าทางจิตใจมากและเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็จะต้องใช้เวลาอยู่ในภูมิทิพย์อันประณีตหรือสูงขึ้นไปซึ่งก็ต้องมีระยะเวลานา น, านมากตามลำดับแต่วิญญาณที่เกือบไม่ได้บรรลุความจริงในด้านจิตใจเลย ก็นอนพักอยู่เพียงระยะเวลาอันสัน้นและก็จะมีชีวิตอยู่ในภูมิทิศชั่วระยะเวลาอันสั้นเหมือนกันอย่างไรก็ตามนี้เป็นกฎทั่วๆไปซึ่งต้องมีข้อยกเว้นบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลบางคนมีระดับทางจิตใจก้าวหน้าไปมากเหลือเกินจนไม่ต้องการระยะนอนหลับเพื่อพักฟื้นเลยในกรณีเช่นนี้วิญญาณนั้น สามารถจะควบคุมกระบวนการธรรมชาติคือความตายของกายเนื้อได้ยังเป็นอิสระเสรีไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกกันว่าความตายเลยแม้แต่ก่อนที่บุคคลผู้นั้นจะถึงแก่ความตายเสียด้วยซ้ำสาเหตุที่ทําให้ระยะเวลาพักฟื้นของวิญญาณต่างๆไม่เท่ากันก็คือว่าในระยะที่วิญญาณนอนหลับอยู่นั้นวิญญาณก็ได้สลัดทิ้งส่วนภายนอกหรือคราบ ของสภาวะทางจิตใจของตนตลอดจนถึงกายทิพย์ชั้นหยาบของตนเองออกไปด้วยการสลัดส่วนหยาบหรือคราบแห่งจิตใจออกไปนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดหรือขั้นที่วิญญาณไม่สามารถจะสลัดต่อไปได้อีกแล้วเท่าที่สภาวะคือความประณีตแห่งจิตใจของวิญญาณนั้นจะอำนวยให้ได้ในขณะนั้นทั้งนี้หมายความว่าวิญญาณใดมีความประนีตมาก ก็สลัดคราบเก่าออกทิ้งได้มากวิญญาณใดมีความประนีตน้อยก็สลัดคราบเก่าออกได้น้อยทั้งๆ ท, ที่จริงก็ยังมีคราบที่จะต้องสลัดออกไปได้อยู่อีกเหมือนกันแต่เนื่องจากระดับความเจริญคือความสามารถในการกำจัดกิเลสของตนในขณะที่ตายนั้นมีได้เพียงแค่นั้นเองเมื่อการสลัดคราบออกทิ้งไปหมดสิ้นแล้ว วิญญาณ น, นั้นก็จะตื่นขึ้นและจะผ่านเข้าไปสู่ภูมิแห่งโลกทิพย์อันมีระดับความประนีตเท่ากันกับระดับของตนเองซึ่งอาจจะเป็นภูมิใหญ่หรือภูมิย่อยแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าวิญญาณที่เจริญมากมีความประนีตสูงก็ต้องสลัดกราบเก่าออกทิ้งชั้นแล้วชั้นเล่าหลายต่อหลายครั้งส่วนวิญญาณชั้นต่ำก็มีกราบที่จะต้องสลัดออกไปน้อยนิดเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อข้าพเจ้ากล่าวถึงการสลัดทิ้งคราบเก่าทางจิตใจออกไปในที่นี้ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นการเตรียมตัวหรือเตรียมใจเพื่อสลัดคราบเก่าเหล่านั้นทิ้งออกไปเท่านั้นด้วยเหตุผลคือในตอนที่เริ่มจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นนั้นวิญญาณจะแสดงอาการไหวตัวขึ้นทีละน้อยในทำนองเดียวกันกับที่เราค่อยๆตื่นขึ้นจากการนอนหลับในโลกมนุษย์นี้เช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นวิญ ญ, ญาณก็จะเลื่อนหลุดออกจากกายทิพย์ในทนองเดียว ก, กันกับที่ผีเสื้อเลื่อนหลุดออกจากกราบตัวแก้วของมันฉะนั้นและครั้นแล้วก็จะสลัดเปลือกเก่าที่ประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุขั้นต่ํากว่าระดับความเจริญของจิตใจไปทีละชิ้นหรือทีละชั้นความเป็นไปเช่นนี้กินเวลาไม่นานนักและเกิดขึ้นในขณะที่วิญ ญ, ญาณกําลังค่อยๆจะฟื้นขึ้นมาเมื่อถึงคราวที่วิญญาณตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์ ก็หมายความว่าวิญญาณได้เป็นอิสระจากเครื่องห่อหุ้มอัญหยาบที่ไม่ได้ระดับความเจริญหรือความประนีตของตนหมดแล้วและตอนนี้เองวิญญาณก็จะลืมตาขึ้นได้เห็นสภาวะใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ในโลกทิพย์ตามภูมิอันสมควรเกี่วับความประณีตของตนในขณะนั้นนั่นเองดังนั้นเมื่อได้ทิ้งกากเก่าๆไปหมดแล้วก็หมายความว่าวิญญาณจะเข้าถึงสภาวะหรือภูมิแห่งโลกทิพย์ อันสูงที่สุดเท่าที่ตนจะขึ้นสูงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความราณิษของตนในตอนนั้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมิดังกล่าวนี้วิญญาณก็อาจจะบำเพ็ญบารมีส่งเสริมความราณิษของตนให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้ในกรณีเช่นนี้วิญญาณก็จะได้มีโอกาสสลาดคราบทิพย์ที่หยาบของตนออกทิ้งไปได้อีกและจะได้เข้าถึงภูมิทิพย์อันมีความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลาดับ การที่วิญญาณได้มีโอกาสเข้าถึงภูมิอันสูงที่สุดเท่าที่ความระณิชของตนจะอำนวยให้ได้นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าหลักการนี้ทําให้เราทุกคนได้มีชีวิตอยู่อย่างสมใจอยากของเราจริงๆในส่วนลึกแห่งหัวใจของเรามีความปรารถนาอันแท้จริงอย่างไรเท่าที่เราต้องการในขณะนั้นเราก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงสภาวะที่จะสนองความปรารถนาของเราได้ตามใจชอบ ในการยำร้องชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกนี้แต่ละคนแต่ละคนเราจะเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหัวใจของเราเรียกร้องและปรารถนาอยู่เสมอและเป็นสิ่งซึ่งสูงกว่าที่เขาได้รับหรือได้พบหรือถูกบังคับให้ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในแบบนั้นๆสถานการณ์แวดล้อมในทางวัตถุมักเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้บุคคลมีโอกาสพัฒนาความเจริญในทางจิตใจได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้ทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่หลังจากความตายจะทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องหน่วงเหนียวอันแสนจะหนักหนานี้ไปได้ในตอนนี้เองคุณธรรมหรือลักษณะ น, นิสัยอันใดที่ถูกซ่อนและกดทับอยู่เพราะอำนาจของวัตถกุก็จะแสดงตัวของมันออกมาโดยเปิดเผยทาให้แต่ละบุคคลได้แสดงธาตุแท้ของเขาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ ความจริงข้อนี้เป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของวิญญาณที่ถูกจํำขังอยู่ในคุก ค, คือร่างกายมาเป็นเวลานานแล้วก็เป็นไปตามหลักของวิวัฒนาการซึ่งมีหลักยุติการเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆรื่จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือความสมบูรณ์ในที่สุด ูแห่งอรปในการวิวัฒนาการสูงขึ้นไปโดยลําดับนี้วิญญาณก็สลัดกายทิพย์ออกไปเป็นชั้นๆตามลําดับและจะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งวิญญาณจะไม่ปรากฏว่ามีร่างหรือรูปเป็นแบบมนุษย์เรานี้อีกต่อไปแต่จะเข้าถึงสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งคําว่ามีรูปเช่นนั้นและมีร่างเช่นนั้น จะนำมาใช้บรรยายลักษณะของวิญญาณยนระดับนี้ไม่ได้เลยกายเนื้อของเราตลอดจนถึงกายทิพย์ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้เป็นผลของวิวัฒนาการทางกายภาพเท่านั้นในอันที่จริงก็เป็นกายภาพที่ได้พัฒนามาเป็นลำดับของกายสัตว์นั่นเองแต่วิญญาณในภูมิที่สูงขึ้นไปจริงๆแล้วไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีแขนขามือและเท้าอีกต่อไป สภาวะหรือภูมิขั้นสูงนี้เป็นสภาวะที่พ้นไปแล้วจากความจําเป็นที่จะต้องมีหรือจะต้องใช้ร่างและรูปในแบบที่เป็นลักษณะของกายมนุษย์หรือกายชีพขั้นธรรมดาชีวิตในสภาวะดังกล่าวนี้เป็นชีวิตที่พ้นไปจากความขัดข้องของรูปร่างที่มีลักษณะแบบกายเนื้อโดยสิ้นเชิงเปลือกที่ห่อหุ้มวิญญาณไว้ที่ถูกสลัดทิ้งออกไปแล้วนั้น เม่ช้าก็จะสลายตัวเป็นธาตุเดิมไปส่วนกายทิพย์ขั้นหยาบก็จะกลายเป็นเปลือกทิพย์ไปในทนองเดียวกันเปลือกทิพย์คือแอสโทรเชลเมื่อถูกสลัดจากวิญญาณแล้วด้วยอำนาจของความดึงดูดก็จะหล่นลงสู่ภูมิทิพย์ขั้นต่ำสุดเพื่อสลายตัวต่อไปดังนั้นภูมิขั้น ต, ต่ำของโลกทิพย์จึงเต็มไปด้วยเปลือกทิพย์ที่วิญญาณผู้เป็นเจ้าของสลัดทิ้งออกไว ล่องลอยไปมาในบรรยากาศของโลกทิพขั้นต่ำนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าดูเลยแล้วก็เป็นโชคดีที่วิญญาณที่สลัดมันออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเห็นอีกเพราะว่าวิญญาณ น, นั้นได้เลื่อนภูมิที่อยู่สูงขึ้นไปเสียแล้วแต่บุคคลในโลกมนุษย์ผู้เล่นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณโดยไม่มีความรู้เรื่องความจริงต่างๆอันเกี่ยวกับภูมิเช่นนี้เลยก็มักจะเข้าสู่ภูมิเช่นนี้ และก็จะได้เห็นภาพที่ไม่น่าดูเหล่านี้เข้าบ่อยๆเรื่องนี้ดูรายละเอียดได้ในบทที่17ความปรารถนาที่ตกค้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อวิญญาณเตือนขึ้นมาจากการพักฟื้นก็จะย่างเข้าสู่ภูมิ คือภาวะที่เหมาะสมที่สุดกับความปรานีตภายในของตนเองและภาวะดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่สถานที่แต่อาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังงานในแบบของความสันสะเทือนในระดับหนึ่งและวิญญาณก็สามารถพัฒนาตนเองไปได้เรื่อยๆเพื่อเลื่อนภูมิของตนเองให้สูงขึ้นไปแต่มีเหมือนกันในบางครั้งที่วิญญาณอันอยู่ในภูมิสูงแล้วนั้นถูกกระตุ้นเตือนด้วยความรู้สึก หรือความต้องการในด้านต่ำสามทำให้หวนระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับการที่เคยได้เสพการมาคุณชั้นต่ำมาแล้วในอดีตและแล้วก็ต้องลงมายังภูมิต่ำเพื่อสแสวงหาอารมณ์อันต่ำและหยาบในสิ่งแวดล้อมที่ต่ำและหยาบเพื่อจะได้สนองความปรารถนาเก่าๆของตนในที่นี้ขอให้ท่านระลึกไว้ด้วยว่าภูมิใหญ่ต่างๆในโลกทิพนั้นมีความแตกต่างกันมาก ตลอดจนถึงภูมิย่อยเองก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่ใช่น้อยภูมิทิบบางภูมิก็อยู่สูงกว่าระดับต่ำๆของโลกมนุษย์เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองและบางภูมิก็มีสภาวะสูงสุดเกินกว่าที่มนุษย์จะพึงคิดฝันหรือนึกถึงได้กายทิศหรือวิ ญ, ญญาณของผู้ใดจะเข้าสู่ภูมิไหนก็สุดล้แต่ความเจริญในทางจิตใจหรือความพระณิจของตนจะขยับขึ้นมาถึงขั้นไหน เมื่อระดับความสันสะเทือนเหมือนกันหรือ ใ, น ใ, นในกล้กันก็ย่อมมีการดึงดูดเข้าหากันได้ตามธรรมชาตินั่นเองแต่วิญญาณที่มีระดับความเจริญหรือความประนีตภายในต่ำนั้นก็จะมีระดับคือความสันสะเทือนสูงกว่าวิญญาณในร่างกายเนื้อไม่มากเลยบุคคลผู้มีระดับความประนีตของวิญญาณต่ำมากเช่นนี้จะต้องใช้เวลาเกิดแล้วเกิดอีกหลายต่อหลายชาติเหลือเกินจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ หรือพัฒนาไปได้สูงพอที่จะไม่ต้องติดข้องอยู่กับโลกมนุษย์อีกต่อไปวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ติดข้องอยู่กับโลกถูกครอบงำอยู่ด้วยความปรารถนาอย่างหยาบหยาบของโลกมนุษย์จนกระทั่งแม้เมื่อตนได้ผ่านเข้าสู่ภูมิอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังไม่สามารถสลัดสิ่งที่เรียกว่าเปลือกทิพย์ได้เลยตรงกันข้ามวิญญาณเหล่านี้จะพยายามยึดมั่นอยู่ในเปลือก อันคร่ามคร่าและเสื่อมค่าเต็มที่แล้วต่อไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ก็จะวนเวียนอยู่หน้าที่ที่ตนเคยฝังใจอยู่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์และพยายามหาทางติดต่ อ, อ ก, กับมนุษย์ให้ได้อยู่เสมอนอกจากนี้ก็มีวิญญาณอีกประเภทหนึ่งซึ่งต้องเข้าสู่ภูมิอันเป็นที่มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของตนเองในภูมิเช่นนี้ วิญญาณจะได้รับกระแสดึงดูดจากภูมิสูงขึ้นไปในบางครั้งและก็ได้รับแรงดึงดูดลงสู่ที่ต่ำจากโลกมนุษย์เป็นบางคราวแรงทั้งสองจะประสานกันทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นบ่อยๆแล้ววิญญาณที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็ประสบความยุ่งยากใจมีชีวิตที่หันไปเหมาตามแรงดึงดูดทั้งสองนั้นช่วระยะเวลาหนึง่งในระหว่างที่ยังตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ได้ เมือ่อใดวิญญาณสามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอนวิญญาณนั้นก็จะเลื่อนขึ้นสู่ภูมิสูงหรือไม่ก็เลื่อนลงสู่ภูมิตามสุดแล้วแต่การตัดสินใจของตนเองต่อไปหมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตว่าจะขึ้นสูงลงต่ำก็อยู่ที่ใจของตนเองครับ บางคนอาจจะค้านว่าถ้าอย่างนั้นจะมีใครเลือกเอาชีวิตตัวเองลงต่ําอย่าให้เปรียบเทียบว่าสมมติท่านชอบกินอาหารอะไรมากๆหรือเป็นคนติดเหล้าติดยาเสพติดในความฝันนั้นถ้าฝันไว้ได้กินของอร่อยที่ตัวเองชอบหรือได้กินเหล้าเมาสําราญใจยอยู่ในสภาวะที่จิตมีอํานาจสูงนั้นลองนึกดูนะครับว่าถ้ามีใครมาบอกในขณะนั้นให้หยุดกินของที่ชอบหรือหยุดกินเหล้าที่กำลังเมาอยู่นั้น จะมีสักกี่คนที่จะยอมหยุดนะครับและแน่นอนว่าเมื่อจิตไม่ได้พัฒนาจนเจอความสุขที่สูงกว่านั้นต่อให้หยุดกินเหล้าได้สักพักใจก็จะโหยหาอยากกลับไปกินเหล้าอีกการเลิกเสพสุขหรือติดในกา ร, รมรมณ์ขั้นตำ ต, ำ, ตำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละได้ยากนะครับถ้าไม่เคยฝึกจิตถ้าไม่เคยพัฒนาจิตทำความดีมีทานศีลภาวนาให้มากพอนี่จึงตรงกับที่ท่านบอกว่า การที่จะไปอยู่ภูมิไหนนั้นก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจของตนเองต่อไปคือเป็นเรื่องของความชอบความถูกใจของแต่ละคนที่บังคับกันไม่ได้และฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตต้สำนึกจนยากจะถอนได้ง่ายเนี่ยครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการตื่นขึ้นในภูมิใหม่ของวิญญาณเป็นเช่นเดียวกับการเกิดใหม่ วิญญาณจะไม่มีความกลัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเลยแต่จะมีความกระตือรือร้นที่จะสแสวงหาความรู้และแสดงความสามารถของตนออกอย่างเต็มที่ในโลกใหม่มีเรื่องที่ทำให้วิญญาณสนใจอยู่ไม่น้อยดังจะได้บรรยายต่อไปข้อที่ควรระลึกก็คือวิญญาณจะไม่รู้สึกเหงาเลยเพราะจะมีผู้ที่มีอุปนิสัยใจคออย่างเดียวกันแวดล้อมอยู่โดยรอบ และวิญญาณจะไม่ต้องถูกบังคับให้ร่วมอยู่หรือสมาคมกับผู้ที่มีนิสัยใจคอเข้ากับตนไม่ได้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าวิญญาณจะมีโอกาสอย่างดีที่จะดำเนินกิจการอันสามารถสนองความปรารถนาและความถนัดของตนได้และถ้าวิญญาณนั้นๆอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพียงนั้น สำหรับวิญญาณประเภทนี้โดยปกติก็จะรู้สึกถึงแรงดึงดูดของโลกมนุษย์น้อยมากหรืออาจจะไม่รู้สึกเลยเพราะความปรารถนาที่ตกค้างอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะรับการสนองอย่างสมใจในโลกทิพย์จนพอเก็ความต้องการแล้ววิญญาณจะไม่มีความสุขเลยในที่นี้คือนอกจากวิญญาณประเภทที่อยู่ในทุกขติเยียงแทจริงแล้วก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่ง คือประเภทที่ยังติดข้องอยู่กับโลกมนุษย์ยงถอนตัวไม่ขึ้นเพราะพวกนี้รู้จักว่าสิ่งที่สามารถให้ความสุขแก่ตนได้มีอยู่อย่างเดียวคือสิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์เท่านั้นความทุกข์ทรมานจากการที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนติดข้องอยู่จึงคอยเกาะกินใจอยู่ตลอดเวลานอกจากนานๆครั้งก็อาจจะมีความสมปรารถนาเล็กๆน้อยๆได้บ้างครั้งหนึ่งเช่นในการที่บางครั้ง สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในที่สุดของบทนี้ขพเจ้าใกลข อ, อกล่าวย้ำว่าหลังจากการแตกทำลายของกายเนื้อแล้ววิญญาณที่ยังลงสู่ความหลับดังกล่าวมาแล้วนั้นก็จะตื่นขึ้นสู่ชีวิตใหม่ในโลกหรือภูมิแห่งความมีชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่ในโลกแห่งความตายเลยโดยทั่วไป วิญญาณในสภาวะแห่งชีวิตใหม่นี้จะมีอุปมาเหมือนกับผีเสื้อที่ออกจากกราบตัวแก้วของมันและกลางปีกโผล่พินบินเหินขึ้นสู่อากาศอันเป็นดินแดนแห่งอิสรภาพอย่างแท้จริงผีเสื้อยอมไม่หวนอะไรในกราบเก่าที่ตนสลัดทิ้งออกไปแล้วชั้นใดวิญญาณที่รู้ความจริงข้อนี้ดีแล้วก็ยอมไม่หันกลับมาอะไรร่างกายเนื้อที่ตนได้ทอดทิ้งไปแล้วตามการเวลาฉันนั้น ในบทต่อไปท่านจะได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสภาวะของชีวิตใหม่โดยละเอียดยิ่งขึ้น